แล้วก็ถ้ามองเห็นชารามรณะหรืออารมณ์ทั้งหลายแหลแล้วแทงตลอดอริยสัได้อันนั้นแหละข้ามพ้นแดนแห่งมัจจุราชได้ดงนั้นความรู้ในการกําหนดปัจจัยเนี่ยนะเป็นประตูแห่งการแทงตลอดยา น, นวัตถุเนี่ยนะเป็นประตูเพื่อการแทงตลอดยา น, นวัตถุการความรู้ในชารามรณะแบบปัจจยะปริกระหายานก็คือปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมเนี่ยนะโดยอนุโลม แต่ถ้า ย, ยานวัตถุนี้เป็นการแทงตลอดแบบทั้งอนุโลมและปฏิโลมแต่ในยานวัตถุนี้ไม่จำเป็นจะต้องแทงตลอดทั้งทั้งสิบเอ็ดทั้งสิบเอ็ดหัวข้อใช่ไครับเพราะถ้าแทงตลอดอันใดอันหนึ่งแล้วอันอื่นก็เป็นอันแทงตลอดด้วยมันเหมือนกับว่าสร้อยคอนี่นะสร้อยคอหรือโซ่ที่มันพันกันสิบเอ็ด 1ิบเอ็ดสิบเอดปล้องเนี่ยนะการที่จะตัดให้มันขาดเนี่ยตัดปล้องใดก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่จะชําแรกหรือแทงตลอดอริยศัสตร์นั้นจะชําแรกในบทใดบทหนึ่งก็ได้ในสิบเอ็ดบทซึ่งบทที่จะแทงตลอดอมะตะธรรมเนี่ยนะถ้ากล่าวตามปฏิสัมพิธามมรกเนี่ยอย่างน้อยสองร้อยหนึ่งบทเนี่ยนะี่ที่สามารถเป็นประตูแห่งอมะตะธรรม ครานี้ในยานวัตถุนี้แทงตลอดตรงนั้นนี่เอมันจะเป็นในขณะที่มรรคจิตเกิดขณะเดียวแต่ว่าตอนที่เป็นปัจจะยาปาริกหายานเนี่ยครับการแทงตลอดตรงนั้นนี่จะมีอาการหรือว่าความเป็นไปต่างกันไงครับโดยอาธาธไหมหมายถึงว่าถ้าขณะที่เป็นมรรคจิตเนี่ยขณะเดียวแต่ว่าถ้าเป็นแทงตลอดปฏิจจสมุบัตตรงนั้นเนี่ยครับการแทงตลอดตรงนั้นจะมีลักษณะหรือว่ามีอาการ เพราะบางทีก็ติดพยัญชนะนะครับรู้หรือว่าเห็นหรือว่าทราบชัดแทงตลอดอันนี้อันเดียวกันหรือเปล่าครับก็อันนั้นก็เป็นคืออธิบายให้มันลึกซึ้งมันก็ลึกซึ้งว่ารู้รู้ด้วยโสดาปฏิมาศเห็นด้วยสากทธาคามีมากอะไรเงี้ยนะคือสามารถอธิบายพยัญชนะแบบนั้นอย่างถึงหลายประการด้วยกันแต่แต่ตัวรู้ตัวเห็นตัวแทงตลอดเนี่ยโดยความหมายก็คือสมาธิฐิ ซึ่งระดับวิปัสสนาระดับมรรคผลเนี่ยนะแต่สิ่งที่อยากให้เอามาคิดมากๆเนี่ยก็คือตัวคำว่าชรามรณะเนี่ยนะชรามรณะกับสมุทัยคือชาติเนี่ยนะตัวชรามรณะเนี่ยจริงๆอะสภาวะเขาคืออะไรภาษาคนไทยจะชอบใช้คำว่าชีวิตมากกว่าอย่างอื่นนะนแต่ถ้าเป็นคนแขกอาจจะเรียกอะไรอายตนะ ขันธาต์เนี่ยนะคือคําว่าชรามรณะนั้นเป็นความหมายที่อมอายตนะหรืออมขันอมธาต์เอาไว้ความเป็นไปแห่งอายตนะความเป็นไปแห่งขันความเป็นไปแห่งธาต์เรียกว่าชรามรณะเนี่ยนะชรามรณะถ้าถ้าเปรียบนะถ้าเป็นแบบแบบเกวียนอะนอันนี้เป็นเหมือนกับกงตัวนี้เป็นเหมือนกับกรรม ซี่ซี่กรรมที่มาติดนะเนี่ยั้นท่าอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นดุมใช่ไหมเคยเห็นล็อกเวียนไหยนั่นนะก็จะเป็นดุมแล้วก็ในเนี่ยมันจะมีมีพลาวอีกมาอันหนึ่งตัวชาติเนี่ยมันเป็นเป็นตัวสมุทัยแห่งชรามรณะเท่ากับบวกตันหาไว้ด้วยเห็นไหมบวกตันหาไว้แล้ว ถ้าบวกตันหาอย่างนี้ตันหาเนี่ยทำไมมันจึงนำให้มีมีชรามรณะด้วยก็แสดงว่าบวกกรรมไว้ด้วยเยบวกกรรมไว้ด้วยทีนี้ตัวที่อุปถัมขันธาตุอายตนะให้เป็นไปอยู่ก็คือถ้ารูปขันก็อาหารถ้านามขันผัสสะเนี่ยนะนามขันประเภทเวทนาสัญญาสังขารคือผัสสะถ้านามขันคือวิญญาณก็ นามกับรูปพวกนี้เป็นปัจจัยของชรากับมรณะเพรา ะ, ะชีวิตหนึ่งภพเนี่ยโย่อๆมาก็คือชรากับมรณะเห็นไหมก็หลังจากเกิดมาเรียกชรามรณะหมดเลยขอให้หลังจากปฏิสนธินะหลังจากนั้นเรียกชรามรณะตะลอดปัจจัยแห่งชรามรณะก็คือชาติไอชรามรณะเนี่ยถ้าผู้ใด ย, ยังทําที่สุดไม่ได้ชรามรณะมันก็ใกล้กับอะไร ใกล้กับชาติชาติในพพใหม่จะมีหรือไม่นไถ้ายอมจำนวนมันก็มีจริงๆแหละมันก็เหมือนกับว่าวันนี้คงหิวแน่ข้าวก็ไม่หง์อะไรก็ไม่เอานั่งอยู่เฉยๆถามว่าหิวจริงไหมจริงแน่ถ้ายอมหิวหมดนะนี่ก็เหมือนกันถ้าวัตะทั้งหลายถ้าเรายอมปล่อยปล่อยให้ชรามรณะเกิดโดยที่ไม่เจริญอริยมรรคให้แทงตลอด ถ้านี้ผ่านได้นะยังไงชาติก็ต้องมีต่อไปอย่างแน่นอนเนี่ยนะฉันชีวิตถ้าย่อๆมาก็เหลือชาติชารามรณะชาติชารามรณะชาติชารามรณะก็ได้ฉั้นคาว่าชาติเป็นปัจจัยแก่ชารามรณะอันนี้อมชีวิตทั้งชีวิตเอาไว้เลยทั้งชีวิตอมเอาไว้ทั้งชีวิตตลอดมาเลยเพราะปัจจัยที่เฉพาะในส่วนรู ป, ปกายที่ดําเนินมาก็คือชารา ม, มาตลอดใช่ไหม มรณะก็เป็นไปตลอดรอแต่สมมุติมรณะที่ที่ไทยๆเราเรียกว่าตายจริงเน่ยนะทางธรรมะเรียกว่าสมมุติมรณะนะแต่ว่าคนไทยเรียกว่าตายจริงถ้าตายจริงนะผ่ารหัคนั้นอะตายจริงที่เหลือตายเล่นหมดตายปลอม<笑><笑>แต่ว่าโหร้องไห้กันร้องไห้กันจริงๆรนะิงเแต่ทางธรรมะเนี่ยเขาบอกเขามีมรณะสามตัวมรณะตัวนี้นะ่หนึ่งคณิกะมรณะสอง สมมติมรณนะสามสมุเดเฉดเนี่ยนะคณิกามรณะก็ทำทั้งหลายก็ดับทุกทุกพังคาขณะอยู่แล้วเนี่ยนะธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นส่วนสมมติมรณะก็เช่นต้นไม้ใบหญ้ามันตายหรือคนตายเนี่ยเรียกว่าสมมติมรณนะแต่ก็เผาศพกันจริงๆนะสมมติอันนี้ไม่ธรรมดานะแต่ว่าสมุเดเฉดถ้ามรณะก็เป็นจุติจิตของพระอรหรันต์ ถ้าเราพิจารณาตัวชรามรณะก็คือตัวอะไรตัวอายตนะตัวขันตัวธาตุที่ชำรุดสุดโทมแล้วก็เสียหายไปแต่ก่อนที่จะชำรุดสุดโทรมเสียหายไปเนี่ยนะมันเกิดมาได้ยังไงตัวที่ทำให้เกิดก็คือชาติตันหกรรมอาหารภาษะนามรูปเป็นปัจจัยอยู่อย่างนี้อันนี้หนึ่งชาตินะทั้งชาติแล้วชาติที่แล้วนะก็เป็นอย่างนี้ ชาติก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้อั้งคำว่าชรามรณะถือคำพูดว่าพบสามได้แสดงแล้วกาเนิดสี่สติห้าวิญญาณที่ติเจ็ดสัตวะเก้าก็ได้แสดงไว้เรียบร้อยแล้วอมไว้ด้วยคำเนี้ยอมไว้ด้วยคำว่าชรากับมรณะทั้นคาว่าชาติหมายถึงการเอ่อําคำว่าชรามรณะหมายถึงความแก่ ความเสียหายในพบทุกพบทั้งหมดเลยแล้วก็ความเป็นไปเหล่านี้ก็เกิดจากาปัจจัยทั้งหลายปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าสมุทัยเรียกว่าสมุทัยดังนั้นถ้ามองให้ละเอียดไปจริงๆแล้วนะพบใหม่ทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ทุกชาติก็มีเหตุกับผลเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยนี่น ตัวชรามรณะตัวนี้แหละเป็นอาหารอย่างดีของอะไรของตันหาเป็นอาหารอย่างดีของกรรมเป็นอาหารอันี้ถ้ามีอาหารเหล่านี้นะเนะอาหารในภพใหม่ก็จําต้องปรารถนาใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอาศัยอาหารอาศัยภาษาอาศั ย, าศยนามรูป อันตัวตันหากับตัวกรรมเหมือนกระต้นทุนเน่ยแล้วก็ไปลงทุนลงแรงเอาต่อไปก็แล้วกันเนียคำว่าตันหาเนี่ยอมอวิชาอยู่แล้วตันหาจะชอบในสิ่งที่อวิชาปิดอย่างเดียวเนี่ยนะเพราะอวิชาปิดไว้ตันหาจึงชอบที่ชอบก็เพราะว่าตันหามันปิดเอาไว้เนี่ยนะปิดเอาไว้ไม่เห็นสัจธรรมเกอเมื่อเป็นอย่างนี้เข้าเนี่ยนะ เอ๊ะชารามรณะจริงๆแล้วเราติดข้องหรือไม่ติดกันแน่ติดนะติดมากๆนะถามรักชีวิตไหมรักเขาบอกโอ้ใครจะไปรักความแก่กับความตายแน่นะรักชีวิตไหมล่ะะอตัวชีวิตนี่แหละคือตัวชาราล่ะตัวชาราก็คือตัวชีวิตถ้ายังรักชีวิตอยู่ก็แสดงว่ารักชารามรณะอยู่ดี เพราะคำว่าชรามรณะเนี่ยอมความถึงชีวิตรูปนามขันท์ั้งาเอาไว้หมดเลย เ, เมื่ออายตนะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งตานหาเพราะเราเพลิดเพลินหมดเลยทวารไหนมั่งที่เราไม่ชอบไม่ชอบเห็นมีไหมไม่ชอบฟังไม่ชอบรู้กลิ่นไม่ชอบรู้รสไม่ชอบรู้โตภตพภะไม่ชอบนึกคิดก็ไม่มีเพราะเรารู้พลาอะไรติดหมดเลยติดทุกทวาร ถามว่าเรามีวิชาแทงตลอดว่าชรามรณะคือตัวทุกข์ละนะที่คุ้นเคยกันนะอย่างเมื่อเช้าคุยว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเราน้อมไปมนณาสิการแบบนี้ไหมถ้าไม่มีนั่นแหละประกาศถึงอวิชชาเนี่ยนะประกาศถึงอวิชชาเพราะความจริงของชรามรณะก็คือสัจจะอะไรทุกขะษัตร์ ทุกษัตรย์เรานี้เห็นเรามองเห็นไตรลักษณ์ในในสัจจะนี้ไหมถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงสัจจะถ้าเข้าถึงสัจจะคือเห็นโดยความเป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นอนิจจังกับได้ยินคําว่าอานิจจังนี่ก็ต่างกันคนที่ที่ได้ยินคําว่าอานิจจังก็คือคนที่ผ่านผ่านหูมา แต่คนที่เห็นโดยความเป็นอนิจจงคือคนที่มองชารามรณะอย่างตลอดสายเห็นในทุกพบทุกภูมิทุกขนทุกแห่งว่ามีแล้วก็ไม่มีทุกอย่างมีแล้วก็ไม่มีเมื่อมีแล้วก็ไม่มีอันนี้แหละสิ่งใดที่มีแล้วก็ไม่มีสิ่งนั้นเรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็มีใครมีอำนาจที่แท้จริงในชารามรณะบ้างจึงไม่มีนั้นถ้ารู้อนิจจงทุกขังอนัตตาจริงๆก็ต้อง เป็นไปเพื่ออะไรนิพิทาแต่กัมพี์เนี่ยเขาบอกว่าโสมนัสก่แล้วกันถ้ารู้ใจรักจริงจะโสมนัสเหมือนกับว่าชรามรณะเนี่ยนะมันเป็นเป็นอาหารของพบใหม่เป็นเป็นสเบียงอย่างดีของพบใหม่เพราะเป็นวัตถุเป็นอารมณ์ของพบใหม่แต่ผู้ใดที่แทงตลอดชรามรณะโดยอ น, นิจจ์จริงๆนะ่ะนะผู้นั้นเขาจะดีใจมากเหมือนไม่เช้านะ ถ้ารู้ว่าชรามรณะคือระเบิดลูกหนึ่งเลยนะถ้ารู้ตามความเป็นจริงเนี่ยเราจะเอามามามาปกปักรักษายึดถือดูแลครอบครองไหมเนี่ยนะซุกเอาไว้ในอกเลยนะโหได้ระเบิดลูกกาเนิดมาหนึ่งซุกไว้ในอกเลยไม่ให้ใครดูด้วยห้ามมายุ่งกับฉันนะอย่างเงี้ยนะระเบิดเวลาด้วยนะทั้งจริงๆอันนี้จังก็คือเหมือนกับตัวชรามรณะขันท่าระยะนะก็คือระเบิดดีๆนี่แหละคิดว่าจะแตกไหม นะไม่แตกเอาอยู่อย่างนี้ตลอดไปเอาไอีกก็ไม่เอาอย่างนั้นแหะในสุดมันแตกกันได้แหละเ อ, อ่เ อ, อมรณะตรงนี้รวมคณิกะและส ม, มุติด้วยหรือเปล่าครับก็รวมหมดเลยทั้งคณิกะและส ม, มุตดรวมทั้งสมุดเฉตด้วยอมมรณะทุกมรณะไว้เลยเพราะผ้าหันท่านยังก็ยังยังต้องตายเนี่ยนะเพราะการพิจารณาเนี่ยนะคําว่าชรามรณะเนี่ยรวมทั้งภพสามกำเนิดสี่คติหวิ ญ, ญญาณทิฏฐิเจ็ด สัตวาวาสเก้ามันอมทั้งภายในทั้งภายนอกทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันสังขารทั้งหลายในอดีตอ น, นัชรามรณะในอดีตก็มีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะในอนาคตก็มีชาติเป็นปัจจัยอนัชรามรณะภายในก็มีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะภายนอกก็มีชาติเป็นปัจจัยอย่างชรามรณะของพระพุทธเจ้ามีชาติเป็นปัจจัยไหมมีเพราะนั้นอมไม่หมดเลย อย่างที่ที่พระผู้มีพระภาคดับขันปฎิณิพานธ์ก็คือมรณะใช่ไหมมรณะอันนั้นมาจากไหนก็มาจากชาติเหมือนกันผ้าอรหันทุกผ้าอรหันก็ในยะเดียวกันแม้กระทั่งปุตุชนอื่นๆก็เหมือนกันแต่ปุตุชนกับผ้าอรหันต่างกันปุตุชนเป็นต้นมีปฏิสนธิในภพใหม่อีกผ้าอรหันไม่มีชาติเป็นผู้สิ้นชาติแล้วเห็นไหม ก็คำอุทานของท่านใช่ไหมชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้หนีพระธาตุหันคือผู้สิ้นชาติสิ้นความเกิดแต่ยนะที่ชาญอ่ออะไรนะในเวรันชพรามอ่ะนะเวรันชพรามก็ด่าพระพุทธเจ้าว่าถ้าสมณะโคดมไม่ผุดไม่เกิดเออถูกแล้วพราม์เราไม่เกิดอีกแล้วเหนไเราไม่เกิดในภพใดๆทั้งนั้นอ่ะนะที่ท่านพูดนะถูกแล้วแต่ไม่ใช่คําที่ท่านด่านะ แต่ความเป็นจริงอ่ะท่านด่าเรานะแต่ว่าจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ผูดได้เกิดหรอกพอกพระสมณาโคโดมช่างเผาผลาญเออใช่เราเผาผลาญราคะโทสะโมหะนะนะพระสมณาโครดมช่างกำจัดบอกใช่เรากำจัดทุจริตกายทุจริตวิจีทุจริตแล้วกำจัดหมดเลยประมาณนั้นแต่ไม่ใช่แบบที่ท่านด่านะนะ